ลักษณะวิพัชวาธะในฐานะวิธีตอบปัญหาอย่างหนึ่งวิพัชวาธะปรากฏบ่อยในรูปของการตอบปัญหาและท่านจัดเป็นวิธีตอบปัญหาอย่างหนึ่งในบรรดาวิธีตอบปัญหาสี่อย่างมีชื่อเฉพาะเรียกว่าวิพัชพยากรซึ่งก็คือการนำเอาวิพัชวาธะไปใช้ในการตอบปัญหา หรือตอบปัญหาแบบวิพัชวาทะนนั่นเองเพื่อความเข้าใจชัดเจนในเรื่องนี้พึงทราบวิธีตอบปัญหาคือพยากรสี่อย่างคือ 1. เอกังสากพยากรการตอบแง่เดียวคือตอบอย่างเดียวเด็ดขาด 2. วิพัชนพยากรการแยกแยะตอบ 3. ปฏิปุชฌาพยากรณการตอบโดยย้อนถาม 4. ถัปปนะการยั้งหรือหยุดพับปัญหาเสียไม่ตอบวิธีตอบสี่อย่างนี้แบ่งตามลักษณะของปัญหาดังนั้นปัญหาจึงแบ่งได้เป็นสีประเภทตรงกับวิธีตอบเหล่านั้น จะยกตัวอย่างปัญหาตามที่แสดงไว้ในกัมพีรุ่นหลังมาแสดงประกอบความเข้าใจดังนี้ 1. เอกังสาพยากรณียะปัญหาปัญหาที่ควรตอบอย่างเดียวเด็ดขาดเช่นถามว่าจากสุไม่เที่ยงใช่ไหมพึงตอบได้ทีเดียวแน่นอนลงไปว่าใช่สอง วิพัฒนาพยากรณียปัญหาปัญหาที่ควรแยกแยะหรือจำแนกตอบเช่นถามว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงได้แก่จักสุใช่ไหมพึงแยกแยะตอบว่าไม่เฉพาะจักสุเท่านั้นแม้โสตขานะเป็นต้นก็ไม่เที่ยง 3. ปฏิปุชชาพยากรณียะปัญหา ปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถามเช่นถามว่าจากสุชั้นใดโสตะก็ฉันนั้นโสตะฉันใดจากสูุก็ฉันนั้นใช่ไหมถึงย้อนถามว่ามุ่งความหมายแง่ใดถ้าถามโดยหมายถึงแง่ใช้ดูหรือเห็นก็ไม่ใช่แต่ถ้ามุ่งหมายแง่ว่าไม่เทียงก็ใช่ 4. ีัปนียับปัญหาปัญหาที่พึงยับยั้งหรือพับเสียไม่ควรตอบเช่นถามว่าชีวะกับสรีระคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมพึงยับยั้งเสียไม่ต้องตอบนี้เป็นเพียงตัวอย่างสั้นๆง่ายๆเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นเมื่อว่าโดยใจความปัญหาแบบที่หนึ่ง ได้แก่ปัญหาซึ่งไม่มีแง่ที่จะต้องชี้แจงหรือไม่มีเงื่อนงำจึงตอบแน่นอนลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันทีอีกตัวอย่างหนึ่งว่าทุกคนต้องตายใช่ไหมก็ตอบได้ทันทีว่าใช่ปัญหาแบบที่สองได้แก่เรื่องซึ่งมีแง่ที่ต้องชี้แจงโดยใช้วิธีวิพัชวาธะแบบต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ปัญหาแบบที่สามพึงย้อนถามทำความเข้าใจกันก่อนจึงตอบหรือตอบด้วยการย้อนถามหรือสอบถามไปตอไปอาจใช้ประกอบไปกับการตอบแบบที่สองคือควบกับวิพัชพยากรในบาหลีพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีย้อนถามบ่อยและด้วยการทรงย้อนถามนั้นผู้ถามจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่เขาถามไปเอง หรือช่วยให้เขาตอบปัญหาของเขาเองโดยพระองค์เพียงทรงชี้แนะญาตคิดต่อให้ไม่ต้องทรงตอบส่วนปัญหาแบบที่สี่ซึ่งควรยับยั้งไม่ตอบได้แก่คำถามเหลวไหลไร้สาระจำพวกหนวดเต่าเขากระต่ายบ้างปัญหาที่เขายังไม่พร้อมที่จะเข้าใจจึงยับยั้งไว้ก่อนหันไปทำความเข้าใจเรื่องอื่นที่เป็นการเตรียมพื้นของเขาก่อน และจึงค่อยมาพูดกันใหม่หรือให้เขาเข้าใจได้เองบ้างที่ลึกลงไปก็คือปัญหาที่ตั้งขึ้นมาไม่ถูกโดยคิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิดไม่ตรงตามสภาวะหรือไม่มีตัวสภาวะอย่างนั้นจริงท่านว่าความเห็นความเข้าใจที่ทำให้ตั้งคำถามประเภทนี้เกิดจากอายุนิสโสมนสิการหรือจากปรตโตโคสะที่ผิดเช่นตัวอย่างในบาลี มีผู้ถามว่าใครผัรษะหรือภัรษะของใครใครสวยอารมณ์หรือเวทนาของใครเป็นต้นซึ่งไม่อาจตอบตามที่เขาอยากฟังได้จึงต้องยับยั้งหรือภาพเสียอาจชี้แจงเหตุผลในการไม่ตอบหรือให้เขาตั้งปัญหาเสียใหม่ให้ถูกต้องตรงตามสภาวะต่อไปนี้จะยกข้อความในบาลีแห่งต่างๆ มาแสดงตัวอย่างแห่งวิพัชวาทาสาวรีบุตรแม้รูปที่รู้ได้ด้วยตาเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีคำที่ว่านี้เรากล่าวโดวยอาศัยเหตุผลอะไรเมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหาย รูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ไม่ควรเสพเมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใดอกุสละธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายอคุสละธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ควรเสพสารีบุตรแม้เสียงแม้กลิ่นแม้รสแม้สิ่งต้องกายแม้ธรรมะที่รู้ได้ด้วยใจเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มี ไม่ควรเสพก็มีภิกษุทั้งหลายแม้จีวรเราก็กล่าวเป็นสองอย่างที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีคำที่ว่าดังนี้เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไรบรรดาจีวรทั้งหลายหากภิกษุทราบจีวรใดว่าเมื่อเราเสพจีวร น, นี้อกุศลธรรมทั้งหลาย จะเจริญยิ่งขึ้นอุสรธรรมทั้งหลายจะเสื่อมหายจีวร อ, อย่างนี้ไม่ควรเสพบรรดาจีวรเหล่านั้นหากภิกษุทราบจีวรใดว่าเมื่อรอเสพจีวร น, นี้อุสรธรรมทั้งหลายจะเสื่อมหายอุสลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้นจีวร อ, อย่างนี้ควรเสพภิกษุทั้งหลายแม้บิณฑบาตแม้เสนาสนะ แม้หมู่บ้านและชุมชนแม้ท้องถิ่นชนบทแม้บุคคลเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าอยู่อาศัยแดนป่าแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้าอยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็ไม่กำกับอยู่ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวกทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไปภาวะจิตปลอดโปรงจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุเธอก็หาบรรลุไม่อีกทั้งสิ่งเพื่อหนุนชีวิตที่บรรพชิตพึงเก็บรวบรวมได้คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเครื่องหยูกยาทั้งหลายก็มีมาโดยยาก ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้จะเป็นกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามพึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้นไม่พึงอยู่เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็ไม่กำกับอยู่จิต ท, ที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่หมดสิน้นก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไป ภาวะจิตปล่อยโปร่งจะเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุเธอก็หาบรรลุไม่แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิตมีมาโดยไม่ยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ตรองตรหนักแล้วพึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้นไม่พึงอยู่เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นก็ถึงความหมดสิ้นไปภาวะจิตปลอดโปร่งจะเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่บรรลุเธอก็ค่อยบรรลุแต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิตมีมาโดยยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราออกจากเดือนบวชเป็นอนาคาิกไม่ใช่เพราะเห็นแก่จีวรไม่ใช่เพราะเห็นแก่บินทบาทไม่ใช่เพราะเห็นแก่เสนาสนะ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่เครื่องหยูยาก็แต่ว่าเมื a, horror, drop, uh, tracks, ่อเราอยู hands, ่อาศัยแดนป่านี้สติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นภิกษุนั้นรองตรหนักแล้วพึงอยู่ในป่านั้นไม่พึงหลีกหนีไปเมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไปก็ถึงความหมดสิ้นภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุเธอก็ค่อยบรรลุอีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิตก็มีมาโดยไม่ยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้พึงอยู่ในป่านั้นแม้จนตลอดชีวิตไม่พึงหลีกไป ภัยราชกุมารปราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญคำพูดซึ่งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นพระองค์ตรัสหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เนี่ยราชกุมารในเรื่องนี้จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้ต่อจากนั้นได้ทรงยากแยะคำพูดที่ตรัสและไม่ตรัสไว้มีใจความต่อไปนี้หนึ่ง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 เลือกการคือเลือกเวลาตรัสพระพุทธเจ้าตรัสถามพระอนุนว่าอานุนศีลพศการบาเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากรมจรรันทร์การบำเรศสิ่งบูชามีผลทั้งนั้นหรือพระอนุนทูลตอบว่าพระองค์ผู้เจริญในข้อนี้จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจงจำแนก เมื่อเสพสินพฤษการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากโรมะจันการบำเรอสิ่งบูชาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายสินพฤษการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากโรมะจันการบวงบำเรออย่างนี้ไม่มีผลเมื่อเสพสินพฤษการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากโรมะจันการบำเรอสิ่งบูชาอย่างใด อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นศีลพรดการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลาบากโปรหมาจันการบําเรสิ่งบูชาอย่างนี้มีผลท่านพระอานุนไดีกราบทูลข้อความนี้แล้วพระ บ, บรมศาสดาทรงพอพระทยัยปริพาชกถามวิชยามหิตะว่า นี่นี่ท่านขหบดีทราบว่าท่านพระสมณโคดมทรงตีเตียนตะบะหมดทุกอย่างทรงค้นว่ากล่าวติผู้บำเพ็ญตบะผู้เป็นอยู่คร่ำคร่ำทั้งหมดโดยส่วนเดียวใช่ไหมตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงติเตียนตบะหมดทุกอย่างก็หาไม่จะทรงค้นว่ากล่าวติผู้บำเพ็ญตบะผู้เป็นอยู่คร่ำคร่ำทั้งหมดโดยส่วนเดียวก็หามิได้ พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนตะบะที่ควรติเตียนทรงสรนเสริญตบะที่ควรสันเสริญพระผู้มีพระภาคทรงเป็นวิพัตชวาทีทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียนทรงสรนเสริญสิ่งที่ควรสันเสริญในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคมีใจเป็นเอกังสวาทีคือผู้กล่าวส่วนเดียวซึ่งต่อมาวัชิยามหิตะกะหบดี ได้ไปเฝ้าทูลความแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสอธิบายถึงตบะที่ควรบำเพ็ญและตบะที่ไม่ควรบำเพ็ญเป็นต้นโดยหลักความเจริญและความเสื่อมแห่งกุศลและอกุศลคล้ายกับเรื่องก่อนๆสุภาพมานก์ทูลถามว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญพรามทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า คารืหัดเป็นผู้บันเพนกูุสละธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้บันพชิตหาใช่เป็นผู้บันเพนกูุสละธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้ไหมในเรื่องนี้ท่านพระโคตมะผูะเ้เจริญกล่าวไว้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานกในเรื่องนี้เราเป็นวิพัชวาทาเราไม่ใ่เอกังสวทา เราไม่สันเสริญการปฏิบัติผิดไม่ว่าของขรืหัดหรือของบรรพชิตขรือหัดก็ตามบรรพชิตก็ตามปฏิบัติผิดแล้วเพราะการปฏิบัติผิดเป็นเหตุจึงเป็นผู้บินเพนกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จไม่ได้เราสันเสริญการปฏิบัติชอบไม่ว่าของขริหัดหรือของบรรพชิตครืหัดก็ตามบรรพชิตก็ตาม ปฏิบัติชอบแล้วเพราะการปฏิบัติชอบเป็นเหตุจึงเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้ท่านพระโคตมะผู้เจริญพรามทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่าการงานฝ่ายคารวาสนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการกระดมแรงมากจึงมีผลมาก การงานฝ่ายบรรพชานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยจึงมีผลมากในเรื่องนี้ท่านพระธรรมโคโดมกล่าวไว้อย่างไรดูก่อนมานพแม้ในเรื่องนี้เราก็เป็นวิพัชวาทาเราไม่ใช่เอกังสวาทาการงานที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมาก มีการระดมแรงมากเมื่อไม่สำเร็จเป็นสิ่งมีผลน้อยก็มีการงานที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการระดมแรงมากเมื่อสำเร็จเป็นสิ่งที่มีผลมากก็มีการงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยเมื่อไม่สำเร็จเป็นสิ่งมีผลน้อยก็มี การงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยเมื่อสำเร็จเป็นสิ่งมีผลมากก็มีจากนั้นทรงอธิบายและยกตัวอย่างการงานสี่แบบนั้นการงานฝ่ายคารวะคือคารวะกรรมฐานก็คือการงานอาชีพต่างๆเช่นทำไรไ่ไถนา การงานฝ่ายบรรพชาคือบรรพชากรรมฐานก็คือกิจของผู้บวชพึงเข้าใจความหมายของศัพท์ปริพาชคถามท่านพระสมิธิว่าแน่ท่านสมิธิบุคคลทำการประกอบด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจแล้วเขาจะสวยอะไร ตอบว่าบุคคลทากรรมประกอบด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจแล้วเขายอมได้เสวยทุกข์ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบการสนทนานี้และตรัสว่าอานน์ปัญหาที่ควรแยกแยตอบโมฆะบุรุษสมิธินี้ตอบแก่โพตาริบุตรปริพาชกแย่เดียวเสียแล้วและต่อมาตรัสอีกว่าอานน์เบื้องต้นทีเดียว โอตาลีบุตรปริพาชกถามถึงเวทนาสามถ้าโมฆะบุรุษสมิธินี้ถูกถามอย่างนั้นแล้วพึงตอบแก่โอตาลีบุตรปริพาชกนั้นว่าเนี่ยท่านโอตาลีบุตรบุคคลทําการประกอบดิจตนาทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเข้าย่อมเสวยสุขบุคคลทําการประกอบดิจตนาทางกายทางวาจาทางใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเขายอมสวยทุกบุคคลทากรรมประกอบด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุ ข, ขเวทนาเขายอมสวยอทุกขมสุขคือไม่ทุกขไม่สุขเมื่อตอบอย่างนี้โมคะบุรุ ษ, ษมิธิก็จะพึงตอบแก่บทาริบุตรปริภาชกโดยถูกต้อง พระอานุ์ไปบินธบาตและได้เข้าไปในบ้านของอุบาสิกาชื่อมีคาสาลาอุบาสิกานั้นได้กล่าวกับพระอานุ์ว่าพระคุณเจ้าอานุลผู้เจริญธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเหล่านี้จะพึงเข้าใจอย่างไรกันในกรณีที่บุคคลผู้เป็นปรมาจารีกับบุคคลผู้ไม่เป็นปรมาจารีทั้งสองคนจะเป็นผู้มีกติเสมอกันในเบื้องหน้า ท่านปุราณนะบิดาของดิฉันเป็นพรหมจรีมีความประพฤติเหินห่างวางเว้นแล้วจากเมถุนซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านท่านบิดาของดิฉันนั้นถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าสัตว์ผู้เป็นสกัดทาคามีเข้าถึงดุสิตกายแล้วคือหมายถึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตท่านอิสิทัตต ผู้เป็นที่รักแห่งท่านบิดาของดิฉันเป็นผู้สันโดษด้วยภรรยาของตนไม่เป็นพรหมจรรีแม้ท่านอิสิทตะนั้นก็ถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าสัตว์ผู้เป็นสกัทาคามีเข้าถึงดุสิตกายแล้วพระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้านี้จะพึงก่ใจอย่างไรกัน ในกรณีที่บุคคลผู้เป็นพรหมจารีกับบุคคลผู้ไม่เป็นพรหมจารีทั้งสองคนจะเป็นผู้มีกติเสมอกันในเบื้องหน้าพระอาหนุนรับทราบแล้วไม่ได้ตอบว่าอะไรแต่ได้นำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แจงว่าความเข้าใจเรื่องนี้ต้องอาศัยความรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลคือปุริสปุคละประโรปริยญาณ ยานที่อย่างรู้ความยิ่งและความหย่อนของแต่ละบุคคลจากนั้นได้ตรัสแสดงตัวอย่างบุคคลหกพวกจัดเป็นสามคู่และบุคคลสิบพวกจัดเป็นหคู่แต่ละคู่มีคุณสมบัติบางอย่างเสมอกันโดยเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือด้านสังคมแต่มีคุณสมบัติบางอย่างพิเศษกว่ากันโดยเฉพาะคุณสมบัติส่วนเฉพาะตัวที่ตรงกับผล ซึ่งจะพึงได้รับในกรณีอย่างนี้พวกนักวัดคนก็มาวัดกันว่าคนสองคนนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกันทำไมคนหนึ่งได้รับผลดีกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งการวัดเช่นนั้นไม่เป็นผลดีแก่ผู้ชอบวัดเลยในที่สุดทรงสรุปว่าสำหรับกรณีนี้ดูภายนอก บุคคลทั้งสองเสมือนมีคุณสมบัติยิ่งย่อนกว่ากันแต่คุณสมบัติภายในที่เป็นหลักเท่ากันอุราณะประกอบด้วยศีลอย่างใดอิสิทัตตะก็ประกอบด้วยศีลอย่างนั้นอิสิทัตตประกอบด้วยปัญญาอย่างใดอุราณะก็ประกอบด้วยปัญญาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสจำแนกกรมโภคีคือชาวบ้าน ออกเป็นสิบประเภทพร้อมทั้งส่วนดีส่วนเสียของแต่ละประเภทมีใจความดังนี้กลุ่มที่หนึ่งสแสวงหาไม่ชอบรมประเภทที่หนึ่งพวกหนึ่งสแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทรได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทําความดีกวนตาหนิทั้งสามสถาน ประเภทที่สองพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบรรมได้ทรัพย์แล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทําความดีกวรตําหนิสองสถานกวรชมหนึ่งสถานประเภทที่สามพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบรำได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์นั้นทําความดี ควรตำหนิหนึ่งสถานควรชมสองสถานกลุ่มที่สองแสวงหาชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างประเภทที่สพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์ด้วยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนิสามสถานควรชมหนึ่งสถาน ประเภทที่หพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนีสองสถานควรชมสองสถานประเภทที่หพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์นั้นทำความดี ควรตำหนีหนึ่งสถานควรชมสมสถานกลุ่มที่ 3, สแสวงหาชอบธรรมประเภทที่7พวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์ด้วยชอบธรรมได้ทรัพย์แล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนีสองสถานควรชมหนึ่งสถาน ประเภทที่8พวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีกวนตําหนิหนึ่งสถานกวรชมสองสถานประเภทที่เกพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์นั้นทาความดี แต่ยังติดยังหมกมุ่นกินใช้ทรัพย์สมบัติโดยไม่รู้เท่าทาันเห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะทำตนให้เป็นอิสระเป็นนายเหนือโภคทรัพย์ควรชมสามสถานควรตำหนิหนึ่งสถานพวกพิเศษแสวงหาชอบธรรมและกินใช้อย่างมีสติสัมปชัญญะมีจิตใจเป็นอิสระ ประเภทที่สิบพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขเพื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์นั้นทำความดีไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์สมบัติโดยรู้เท่าทันเห็นคุณโทษทางดีทางเสียของมันมีปัญญาทมตนให้เป็นอิสระเป็นนายเหนือโภกทรัพย์เป็นชาวบ้านชนิดที่เลิศประเรสริฐสูงสุด ควรชมทั้งสี่สถานการจำแนกโดยวิพัชวาธาแบบนี้ทำให้ความคิดและการวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆชัดเจนตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและเท่าความจริงพอดีกับความจริงจะไม่เกิดความสับสนในเรื่องต่างๆตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันอย่างสามัญเช่นคำพูดว่า เขาเป็นคนตรงไปตรงมาชอบพูดขวานผ่าซากผงผางพูดเพราะไม่เป็นดูเหมือนจะเอาลักษณะตรงไปตรงมามากลบกลื่นลักษณะผงผางพูดไม่ไพเราะถ้าจําแนกตามวิธีวิพัชวาทะความเป็นคนตรงเป็นความดีของบุคคลผู้นั้นส่วนการพูดไม่ไพเราะผงผางก็เป็นข้อบกพร่องของเขา คนที่มีความดีในแง่ความตรงนี้ก็ต้องยอมรับความบวกพร่องของตนในแง่คาพูดไม่ไพเราะไม่ต้องเอาลักษณะทั้งสองมากลบเกลื่อนกันเมื่อจะให้มีความดีครบถ้วนก็ต้องปรับปรุงตนเองในส่วนที่ยังขาดยังพร่องนั้นส่วนคนที่พูดจาไพเราะการพูดเพราะนั้นก็เป็นความดีของเขาอย่างหนึ่งแต่เขาจะเป็นคนตรงหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเขาตรงก็เป็นความดีอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่ตรงเขาก็บวกพร่องในส่วนนั้นยังมีต่อไปอีกในแง่ที่เป็นคนพูดจาไพเราะนั้นจะเป็นการพูดด้วยเจตนาดีงามหรือเกิดจากความคิดหลอกลวงมีแรล่กลอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องจำแนกกันในแง่เจตนาที่เป็นเหตุปัจจัยและชี้ความจรงิงตามที่มันเป็นในแง่นั้นๆไม่มีการสับสนกัน ดูต่อไปสมมุติว่าจะเลือกคนไปทํางานงานนั้นต้องการคนพูดเพราะหรือต้องการคนพูดตรงก็ตัดสินไปตามความต้องการของงานนั้นถ้างานนั้นใช้คนพูดเพราะก็เลือกคนพูดเพราะซึ่งคนเลือกก็คงพยายามหาคนพูดเพราะที่มีความซื่อสัตย์ด้วยคนตรงที่พูดไม่เพราะก็ไม่ต้องมาอ้างความดีในด้านความตรงของตน หรือถ้า ง, งานต้องการความตรงคนจะพูดเพราะหรือไม่เพราะไม่สําคัญคนไม่ถูกเลือกก็ไม่ต้องเอาความอ่อนหวานของตนขึ้นมาใช้เป็นเหตุผลเกี่ยวกับกรณีนั้นหรือถ้าจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางจิตตาวิทยาระหว่างลักษณะ ส, สองด้านคือความตรงกับการพูดไม่ไพเราะและการพูดอ่อนหวานกับความมีเล่กลก็ว่าให้ชัดว่า จะวิเคราะห์ในแง่นั้นนั้นวิธีวิพัชวาสถานี้จึงตรงไปตรงมาพอดีกับความจริงเป็นกลางกลางตามธรรมชาติแ ท, แท้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ต้องการผู้ตรงไปตรงมาอย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่ามีห้าประเภทดังนี้ หาประเภทคืออะไรได้แก่ผู้ที่อยู่ป่าเพราะเป็นผู้โง่เขลาเพราะงมงายหนึ่งผู้มีความปรารถนาลามกถูกความปรารถนาครอบงำจึงอยู่ป่าหนึง่งผู้อยู่ป่าเพราะความเสียจริตเพราะจิตฟุ้งซ่านหนึ่งผู้อยู่ป่าเพราะเห็นว่าการอยู่ป่านี้พระพุทธทั้งหลายพระพุทธสาวกทั้งหลายสรนเริญหนึ่งผู้อยู่ป่าเพราะอาศัยความเป็นผู้มักน้อย ความสันโดษความขัดเกลว์ความฝ่ายสงัดความพอใจเท่าที่มีหนึ่งบรรดาผู้อยู่ป่าห้าประเภทเหล่านี้ผู้ที่อยู่ป่าเพราะความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลว์ความฝ่ายสงัดความพอใจเท่าที่มีนี้เป็นอย่างเลิศประเสริฐนำหน้าสูงสุดดีเยี่ยมในบรรดาผู้อยู่ป่าทั้งห้าประเภทเหล่านี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับทารุกามิกะดูก่อนก้าหาบดีทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานในตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่ก็แล่ทานนั้นข้าพระองค์ถวายในประดาท่านพระภิกษุทั้งหลายชนิดที่เป็นผู้อยู่ป่าถือบิณฑบาตกรองผ้าบางสกุลซึ่งเป็นพระอรหันต หรือเข้าถึงอรหัตตะมักดูก่อนขาหาพอดีท่านซึ่งเป็นคริหัสยากจะรู้ได้ถึงความข้อนั้นว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เข้าถึงอรหัตตะมักถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่าหากเป็นผู้ฟุ้งซ่านลำพองกวัดแกว่งปากมากพูดพลอยสติเลอะลอยไร้สัมปัยชัญญะจิตไม่ตั้งมั่นปล่อยอินทรีย์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 ถึงจะเป็นภิกษุอยู่เขตชายบ้านหากเป็นผู้ฟุ้งซ่านลำพองกวัดแกวงปากมากพูดพลอยสติเลอะลอยไรสัมปัชญะญจิตไม่ตั้งมั่นจิตวุ่นวายปล่อยอินทรีเธอก็เป็นผู้อันควรติเตียนโดยลักษณะข้อนั้นถึงเป็นภิกษุอยู่ชายเขตบ้านหากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำพองไม่กัดแกงไม่ปากมากไม่พูดพลอยมีสติกำกับตัว มีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นจิตใจเป็นหนึ่งเดียวสำรวมอินทรีย์เธอก็เป็นผู้อันควรสรรเสริญโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุถือบินทบาตถึงจะเป็นภิกษุรับนิมนต์ถึงจะเป็นภิกษุครองผ้าบางสุกุลถึงจะเป็นภิกษุครองจีวรที่กหาบดีถวายก็เช่นเดียวกันดูก่อนกหาบดี เชิญท่านให้ทานในสงเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างไรกล่าวคือภิกษุบาปอยู่อาศัยในชนบทชายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าหาสกุลทั้งหลายในที่นั้นยอมได้ลาบภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างนี้แหละ นั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเที่ยวไปผู้เดียวไม่เกียจคร้านฝึกตนอยู่ผู้เดียวพึงเป็นผู้ยินดีในแดนป่าพรามผู้บำเพ็ญตะบะทั้งหลายสยบแก่ตันหาถูกศีลและพระมัดเอาไว้บำเพ็ญตะบะอันกล้ามตลอดเวลาร้อยปีจิตของเขาก็าหาหลุดพ้นโดยชอบไม่เขายังมีท่วงทีสาม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 อยู่ผู้เดียวในป่าไม่ประมาทผู้นั้นจึงจะข้ามฝั่งแห่งแดนมัจจุราชได้ภิกษุรูปหนึ่งมีชื่อว่าเทระเป็นผู้อยู่เดียวและผู้สันเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวเธอเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งในที่ลับอยู่องค์เดียวเดินจงกรมองเดียว มีภิกษุหลายรูปกราบทูลเรื่องของท่านแด่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้เรียกเธอมาตรัสซักถามดังคำสนทนาต่อไปนี้ดูก่อนเทระทราบว่าเธอเป็นอยู่ผู้เดียวและสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ผู้เดียวจริงหรือจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธออยู่ผู้เดียวและสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวอย่างไร ในเรื่องนี้ข้าพระองค์เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งอยู่ในที่ลับองค์เดียวเดินจงกรมองค์เดียวข้าพระองค์อยู่เดียวและพูดสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวอย่างนี้แหละดูก่อนเทระนั่นก็เป็นการอยู่เดียวได้อยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่เป็นแต่เธอจงฟังวิธีที่จะให้การอยู่เดียวของเธอเป็นกิจบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้น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 ธรรมะทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจซึ่งน่าปรารถนาน่าใกร่น่าพอใจเป็นของเปรมปรีกอบด้วยความเย้ายวนชวนให้ติดใจมีอยู่หากภิกษุพร่างเพลินพร่างบ่นถึงสยบอยู่กับสิ่งนั้นๆ น, นั น, นทิคือความเริงใจหรือหื่นเหิมย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีนันทิก็มีความติดพันเมื่อมีความติดพันก็มีสัโย์ หรือสั่งโยช์คือกิเลสที่ผูกมัดใจภิกษุผู้ติดพันอยู่ด้วยนันทิและสัญโยชดเรียกว่าอยู่มีคู่สองภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ถึงจะไปเสพอาศัยเสยนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรซึ่งเงียบเสียงไม่มีความอึกระทึกวังเวงควรแก่การลับของมนุษย์เหมาะแกการลีกเร่นก็เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่มีคู่สองโดยแท้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็ เ, เพราะตันหาเป็นเพื่อนสองของเธอตันหานั้นเธอยังละไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้อยู่มีคู่สองดูก่อนมีข้าชาละรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตาเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสิ่งต้องกายทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจ ซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นของเปลยปรีขอบด้วยความเยา้ายวนชวนให้ติดใจมีอยู่หากภิกษุไม่พร่ำเพลินไม่พร่ำบ่นถึงไม่สยบอยู่กับสิ่งนั้นนันทิย่อมดับเมื่อไม่มีนันทิก็ไม่มีความติดพันเมื่อไม่มีความติดพันก็ไม่มีสัญโยตภิกษุผู้ไม่ติดพันด้วยนันทิและสัญโยตเรียกว่า ผู้อยู่เดียวภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ถึงอยู่ในเขตบ้านปะปนด้วยพิกษุทั้งหลายพิกษุณีอุบาสกอุบาสิการาชาหมาอามาตยร ถ, รถีสาวกยรถีทั้งหลายก็เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะตัญหาที่เป็นเพื่อนสองของเธอนั้นเธอละได้แล้วเพราะฉะนั้นเธอจึงเรียกได้ว่า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 บรรดาความสงัดกิเลสสามอย่างนั้นในข้อความสงัดกิเลสพระจีวรคือเครื่องนุ่งห่มเหล่าอัญญาเดี๋รวีปริพาชคย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้คือนุ่งห่มผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าแกมกันบ้างนุ่งห่มผ้าห่อศพบ้างนุ่งห่มผ้าบางสุกุลบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังเสือบ้างนุ่งห่มหนังเสือทั้งเล็บบ้างนุ่งห่มขากรองบ้าง นุ่งห่มเปลือกปอกรองบ้างนุ่งห่มผ ล, ลไม้กรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยผมคนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้างนุ่งห่มผ้าทำด้วยขนปีกนกเขาบ้างในข้อความสงัด ก, กิเลสพราะบินทบาทคืออาหารเหล่าอัญ ญ, ญาเดียรถีปริภาชกย่อมบญรติสิ่งต่อไปนี้คือเป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้าง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 ข้อความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยเหล่าอัญ ญ, ญาเดียรธีปริพาชคย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้คือป่าโคนไม้ป่าช้าป่าชัดที่กลางแจ้งลอมฟางโรงลานภิกษุทั้งหลายส่วนในธรรมวินัยนี้ภิกษุมีความสงัดกิเลสสามอย่างต่อไปนี้สามอย่างอะไรบ้าง คือ 1. ภิกษุเป็นผู้มีศีลและความทุศีลเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วเธอจึงเป็นผู้สงัดจากความทุศีลนั้น 2. ภิกษุเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วเธอจึงเป็นผู้สงัดจากมิจฉาทิฏฐินั้นส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 ผู้แสดงคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงควรลอกคัดอ้างความด้วยความระมัดระวังรู้จักเลือกว่าคำสอนอย่างใดแสดงหลักทั่วไปอย่างกว้า ง, างของพระพุทธศาสนาคำสอนอย่างใดแสดงลักษณะคำสอนเฉพาะแง่เฉพาะด้านเฉพาะกรณีหรือมีเงื่อนไขซึ่งควรนํามาแสดงหลายแงย่หลายด้านให้เห็นครบถ้วน